รำมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อาภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้านั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกส่งเสียงนี้ไปตามเครือข่ายท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศหรือส่วนไหนของมุมโลก ก็สามารถที่จะรับฟังสิ่งที่เป็นธรรมะธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เป็นความดีเป็นความงามเป็นความสำคัญเพราะว่าเมื่อธรรมะนั้นไปตกลงอยู่ที่ไหนที่นั่นดีขึ้นมาทันทีธรรมะตกลงในใจิตใจของบุคคลใดใจิตใจของบุคคลนั้นก็สว่างขึ้นมาทันทีความสว่างความเย็นไปในใจเนี่ มันอยู่ลึกๆเรารู้สึกได้อยู่ข้างในๆนนเป็นความเย็นที่เกิดจากความสงบของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเวลาที่อกุศลธรรมมันลดลงไปลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นโดยอํานาจของธรรมะนี่จิตใจของเราก็จะมีความเย็นลึกๆอยู่ข้างในความเย็นนี้คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของ ธรรมะอันประพูมีประปาประกาศไว้ดีแล้วความเย็นอยู่ในใจนี่มันโอ้เปรียบเทียบอะไรกันไม่ได้หรอกกับความเย็นในภายนอกแต่ในช่วงนี้ตามส่วนต่างๆของประเทศก็มีอุณห ภ, ภูมิลดลงเป็นความเย็นทางภายนอกเป็นความเย็นทางผิวกายแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพรักษาร่างกายให้อบอุน่น กายของเรามีความอบอุ่นพอสมควรพอมีความเป็นไปได้อยู่ได้ใจเราก็รักษาให้มีธรรมะมีความเย็นใจอยู่ข้างหนเดี๋ยวฤดูการต่างๆของโลกมันเป็นอย่างนี้แต่เป็นในช่วงฤ ด, ดูหนาวความเย็นนี้ก็ชนะความร้อนแต่เป็นช่วงในฤ ด, ดูร้อนไม่ใช่ว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนมันชนะความเย็น หรือเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็ได้ความเย็นที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของวันนี่มันไม่เท่ากันอุณหภูมิอาจจะเท่ากันอยู่แต่ความเย็นนี่อาจจะไม่เท่ากันอย่เช่นว่าตอนกลางคืนที่อุณหภูมิ10บองศากับตอนช่วงเช้าเช้าอุณหภูมิ10องศาเหมือนกันนี่ความเย็นของในช่วงกลางคืนที่อุณหภูมิเท่ากันกับในช่วงตอนเช้า มันจะเย็นลึกกว่ามันจะเย็นเข้าไปในกระดูกเนะแต่ความเย็นในช่วงตอนเช้าเนที่มีพระอาทิตย์เริ่มขึ้นก็เย็นอยู่แต่ว่ามันความคืบคลานหรือพลังของมั น, นไม่เท่ากันถ้าจะพูดง่ายๆก็คือความเย็นในช่วงกลางคืนหรือในช่วงที่มีฝนตกเนี่จะมีพลังความคืบคลานของความเย็นเนี่ยมากกว่าในช่วงเวลากลางวันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วท่านผู้ฟัง ในทางกลาศาสตร์ทางด้านอุณหภูมิเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเขาก็จะมีค่าค่าหนึ่งที่พูดถึงพลังของอุณหภูมิในะอุณหภูมิอาจจะเป็นอุณหภูมิที่เท่ากันแต่ความคืบคลานพลังของมันไม่เท่ากันแต่ค่าตรงนี้เขาเรียกว่าเอนโทรปีถ้าเอนโทรปีสูงแต่ความคืบคลานหรือพลังของสิ่งนั้นก็จะมากเช่นในฤดูร้อนเอนโทรปีสูง ความคืบคลานของความร้อนก็จะมามากความร้อนก็จะชนะความเย็นในฤ ด, ดูหนาวเน่ยพลังเอนโทรปีของความหนาวมันมากกว่าแต่ความหนาวก็ชนะความร้อนเนี่เป็นไปอย่างนี้จะอะไรชนะอะไรก็อยู่ที่ว่าฤ ด, ดูไหนเนเรื่องนี้ดูแล้วมันไม่ต่างกันกับในจิตของเรานะท่านบุฟังในจิตของเราเนี่ยมันเหมือนมีการต่อสู้กันระหว่าง สิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลอยู่ตลอดเวลาในผูวฟังหลายๆท่านเขียนจดหมายมาถามและก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันเจอผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีความชอบใจหรือผัสสะอันเป็นที่ตั้งของความไม่ชอบใจสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็รู้ต้องรู้ละว่าถ้ากระทาสิ่งนี้ไปมันเป็นเรื่องที่จะไม่ดี ไม่ควรทํารู้ทั้งรู้ละ่ะว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยควรทําอันนี้แต่ว่ามันทําให้ได้แล้วมันกลับไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําำยกตยัวอย่างเช่นว่าเรื่องการกินอาหารแต่กินทุกวันละ่ะวันละหลายมื้อด้วยเรารู้ว่าของทอดหรือว่าของที่ไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่ควรกินนะ่ะเรารู้อยู่แต่ไม่ใช่ไม่รู้แต่มีความคิดอันเป็นกุศลธรรมอยู่ในใจอยู่ แหมแต่ไอความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็มีด้วยนะแม้กินเธอหิวทํางานมาหนักเหนื่อยกินซะเอกุศลธรรมมันก็พูดอย่างนี้อยู่ในใจของเราแต่ระหว่างนั้นที่เราเจอผัสสะอาหารอยู่ตรงหน้าอย่างได้อย่างหนึ่งเอ๊จะกินดีหรือจะไม่กินดีหรือทั้งรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพบางทีมันแพ้เอาก็กินซะกินซะหน่อยหนึ่งเชื่อตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไปหรือบางทีกินอิ่มแล้ว เรารสึกว่ามันแค่นี้มันพอละแม้แต่มันยังเหลือหนะ้าเสียได้ของนะหรือมันยังอร่อยอยู่หนะ้าต่ออีกสักจานสองจานสักคำสองคาเรารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดี่เป็นอกุศลธรรมแต่ก็ยังทำํำเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งทําสิ่งที่ไม่ดีไม่พอใจเราแม้ท้าว่าเขาไปเนี่มันก็จะกระเทือนใจเขาเราไม่ควรว่าน่ยน่าจะอดทนแต่รู้ทั้งรู้ว่าความอดทนเป็นกุศลธรรม เป็นสิ่งที่ควรทำํำแต่อีกใจหนึ่งมันก็บอกว่าด่าเธออย่างนี้มันต้องสั่งสอนตัคนแบบนี้ต้องสั่งสอนแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมพูดอย่างนี้ขึ้นมาในใจแต่บางทีมันอดไม่ได้ก็ขอด่าสักนิดนึงขอพูดสักนิดหนึง่งแต่ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสักหน่อยหนึ่งแต่า ท, า ท, ทั้งๆที่รู้ละ่ะพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เป็นอกุศลในทางตรงข้ามก็เหมือนกันนะท่านบวชแต่บางทีฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมเราก็ชนะ ใช่บางทีเราขับรถไปการจะราจรติดขัดเออคนนี้เขามาขอแท็กข อ, อาทางให้แต่บางครั้งในใจเราก็คิดวุ้งใครๆก็รีบทางนั้นทํำไมคุณไม่ขับมาดีๆแต่อีกใจหนึ่งแต่ที่เป็นทางด้านกุศลก็พูดขึ้นว่าเออการให้เป็นสิ่งดีแนี่เราก็ให้ให้ทางเข้าไปแต่บางครั้งเราก็ให้ได้ก็ทําสิ่งที่เป็นกุศลและทำได้ในใจของเราท่านผู้ฟังทำมันเป็นเหมือนสนามรบเลยบางครั้งสนามรบระหว่าง สิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลในสงครามระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลนี้จะมีการต่อสู้อยู่หลายๆครั้งการต่อสู้แต่ละครั้งแต่เส้นฟรอนต์ไลน์และจุดที่มันจะมาต่อสู้กันเนี่ยคือจุดที่เกิดปัจจัเกิดปัจจะยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นปัจจัยทางด้านความคิดเป็นปัจจัในทางตาทางหูผ่านเข้ามา นั่นเปรียบเสมือนการต่อสู้กันแล้วระหวังอะไรระหวังสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลมีอะไรเป็นหัวหน้ามีตัณหาเป็นหัวหน้าตัณหาที่เป็นหัวหน้านี้มันก็มีรากของมันนะมีความคลืบคลานของมันคืออวิชชาฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมก็มีอริยมรรคมีองค์8เป็นหัวหน้าแต่ต่อสู้กันอยู่ กองกำลังของอริยมรกมีองค์แก็มีโพชทธงเจตสติปทาน4และวิชาพิมุตติศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นกองกําลังของฝ่ายกุศลแลธรรมแต่ในการต่อสู้แต่ละครั้งสนามรบหรือสนามต่อสู้นั้นก็คือในจิตของเราจิตของเราเป็นเหมือนกับสนามรบสนามต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่มีตัณหาเป็นหัวหน้าคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งปวง กับฝ่ายที่มีอริยมรรคมีองค์แเป็นหัวหน้าคือฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมทั้งปวงจุดในการต่อสู้ที่มันจะเข้ามาประชิดกันต่อสู้กันนั่นคือภาษาเมี่อภาษาเกิดขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดในที่เป็นลูกน้องของตนะ ห, หรือว่าธรรมะจะเกิดที่เป็นลูกน้องของอริยมรรคมีองค์ 8. แในการต่อสู้ในแต่ละครั้งอะไรจะชนะอะไรกุศลจะชนะอกุศลหรือว่าอกุศล จะชนะกุศลถ้าบอกว่าในการต่อสู้แต่ละครั้งหร่อที่มีผัดสะเป็นจุดเข้าประชิดกันเข้าตะลุมบอลกันฝ่ยายที่เป็นอกุศล่นชนะในสมุตินะสมุติฝ่ายที่เป็นอกุศลชนะแต่ชนะอยู่เรื่อยๆชนะอยู่เรื่อยๆจิตนั้นก็จะถูกครอบงำด้วยสิ่งที่มันอกุศลถูกครอบงำด้วยตัณหาอวิชชาลูกน้องอะไรของมันมาครอบงำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนิวรณ เรื่องของทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเรื่องโลภะเรื่องอิจฉาริษยามันก็จะมาครอบงําจิตแต่ที่เป็นเหมือนกับสนามรบมันกินดินแดนได้มากอากุศลก็ครอบงําจิตได้มากคนเราถ้าแพา้แพ้ในการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลมากเข้ามากเข้าในการต่อสู้แต่ละครั้งที่จุดเข้าออประชิดกันนั้นคือจุดที่เป็นผัสสะเนี่ยแพ้อยู่เรื่อยๆแต่จิตก็มีอกุศลธรรม ครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆเึ่งอันนี้เราเห็นได้แต่เด็กโตขึ้นมาแต่พ่อแม่ประคดประเคฑ์ให้ทุกอย่างซื้อเสื้อผ้าอย่างดีให้ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นต่างๆให้หวังว่าเพื่อที่จะเรียนได้ดีขึ้นจะทำความรู้ความเรียนได้ดีขึ้นแต่ไม่สามารถชาชนะอกุศลธรรมในจิตได้แต่ก็มีอากุศลธรรมมากขึ้นทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทางกายทางวาจาบ้างประกอบกันไปด้วย แต่บาครั้งก็ไปสุดจบอยู่ที่สถานกักกันเยาวชนทั้งๆ ท, ที่มีพรรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกอย่างเลยแต่ก็ไปจบชีวิตอยู่ตรงนั้นก็มีเลยเถิดไปถ้ากลับตัวไม่ได้ละกายนี้ไปเนื่ไปตกนรกกาเนิดเดรัจฉานปรตวิสัยแล้วก็มีตัวอย่างมากมายนนในทางแบบนี้ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังในการต่อสู้แต่ละครั้งในสนามรบคือจิตนี้ การต่อสู้ที่มีภัสสะเป็นจุดเข้าประชิดกันระหว่างกุศลที่มีอริยมรรคมีองค์แบบเป็นหัวหน้ากับฝ่ายอกุศลที่มีเจ้าตัญหาอาวิชชาเป็นทีมของมันนี่ถ้าเบอกว่าฝ่ายกุศลธรรมชนะอยู่เรื่อยๆชนะอยู่เรื่อยๆผัสสะครั้งหนึง่งฝ่ายกุศลธรรมชนะทำสิ่งที่ควรทำทำสิ่งดีส่วนที่เป็นกุศลธรรมแล้วก็จะค่อยคลืบคลานคืบคลานเพิ่มมากขึ้น ไหนไหนในสนามรบคือจิตนี่แหละจิตที่มีกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพราะมันชนะฝ่ายที่เป็นอกุศลและลูกน้องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายแหละมีการประพฤติ ช, ชอบทางกายทางวาจาทางใจมีความเมตตาความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นในจิตจิตที่มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่ ม, มขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไปดีได้ เราก็เห็นตัวอย่างอย่างเด็กในสลัมพ่อแม่อาจจะแยกทางกันต้องอดมือ้อกินมือ้อจะหาอาหารสามมื้อมากินในแต่ละวันก็ทั้งยากแต่ก็อดทนต่อสู้ฝ่าฟันทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละละพวกยาเสพติดละการคบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำมาหากินแล้วก็พลิกผันตัวเองจากเป็นเด็กในสลัมเติบโตขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันนี้ก็มีตัวอย่าง ให้เห็นได้เพราะว่าการต่อสู้ของผัสสะในจิตระหว่างกุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรทัางฝั่งกุศลธรรมกับอกุศลธรรมต่อสู้กันอยู่นี้ฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายไหนอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายอกุศลที่มีเจ้าตนนาเป็นหัวหน้ามีอวิชชาเป็นกำลังเสริมแต่เป็นมนต์ดของมัน ชนะในสงครามผัดสะเนะี่ยที่เกิดขึ้นในจิตได้เพราะอะไรหรือฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมมีอริยมรรคมีองค์แปเป็นหัวหน้ามีวิชาวิมุติเป็นกําลังที่ผลักดันมาเนี่ฝ่ายนี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดกันชนะได้คืบคลาน้ามาได้กินเนื้อที่มากได้ฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายไหนท่านผู้ฝังเนเรื่องนี้เราเห็นได้อยู่ในธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา แตีอย่างตัวอย่างที่ข้าพเจ้าบอ ก, บอกน้ำมูฟังตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยว่าความหนาวหรือความร้อนอันไหนจะชนะอะไรถ้าเป็นในฤ ด, ดูหนาวแ น, น่นอนความหนาวชนะความร้อนเพราะอะไรเพราะค่าพลังงานของความหนาวมันมากกว่าในขณะที่เป็นช่วงฤ ด, ดูร้อนความร้อนนี่ก็ชนะความหนาวเพราะค่าพลังงานของความหนาวนี่มันต่ำกว่าค่าพลังงานของความร้อนมีความสูงกว่า ระดับน้ําที่เราดูตามแม่น้ำนี่เอ๊น้ําที่ระดับนี้เอ๊เราจะรู้ได้ไงว่าน้ําจะขึ้นหรือน้ําจะลงเอาถ้าเป็นช่วงเวลาที่น้ําขึ้นระดับน้ําที่เราดูอยู่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มขึ้นมาแต่ถ้าเป็นจังหวะที่ช่วงน้ําลงระดับน้ําตรงนี้ก็จะลดลงไปลดลงไปดวงจันทร์ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเราเห็นเสี้ยวดวงจันทร์ที่ตรงนี้แต่คืนนี้เราเห็นจุดนี้เอ๊พรุ่งนี้มันจะสว่างมากขึ้น หรือสว่างล ด, ดลงก็อยู่ที่ว่าเป็นข้างขึ้นหรือเป็นข้างแรมแต่เป็นข้างแรมแสงสว่างที่สะท้อนมาจากดวงจันทร์นั้นก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงแต่ถ้าเป็นข้างขึ้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นบนผิวดวงจันทร์ก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นความสว่างก็ชนะความมืดลงในข้างขึ้นแต่ถ้าในข้างแรมความมืดก็ชนะความสว่างหรือว่าในช่วงที่มันโผล่เพล่โผล่เพลหรือพระอาทิตย์จะขึ้นหรือจะตกนี่ ถ้าคนที่ดูเนี่ยไม่ฉลาดในเรื่องของทิศทางเดี๋ไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่าทิศตะวันออกตะวันตกอยู่ตรงไหนเห็นว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงขอบโลกเนี่ยความสว่างเดี๋ยก็จะพอๆกันในช่วงโผล่เพลย์เนี่ยบางทีบอกไม่ได้ว่ากลางคืนหรือกลางวันณจุดนั้นเนี่ยเฮ้กลางวันจะชนะกลางคืนหรือกลางคืนจะชนะกลางวันถ้ามันเป็นช่วงที่รุ่งอรุณกลางวันก็ชนะกลางคืนแต่นั้ามันเป็นช่วงหัวค่ําในกลางคืนก็ชนะกลางวันแน่ มันอยู่ที่ว่าจุดไหนจังหวะไหนของธรรมชาติตรงนี้นอะไรจะชนะอะไรแต่ถ้าเราเอารถมอเตอร์ไซค์ท่านผูฟังรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้วยความเร็ว40กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่พุ่งชนกําแพงอิฐที่เขาก่อไว้อย่างดีแล้วรถมอเตอร์ไซค์พังนะแต่ถ้าเราเอารถ10ล้อบรรทุกสินค้าเต็มคันรถแต่วิ่งมาด้วยความเร็ว40กิโเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันวิ่งมาด้วยความเร็วเท่ากันแหละระหว่างเจ้ามอเตอร์ไซค์ เจ้ารถ10บล้อพุ่งเข้าชนกำแพงเป็นกำแพงอิฐที่เขาก่อไว้อย่างดีนะรถ10บล้อชนะนะรถ10บล้อนี่พุ่งทะลุทำลายกำแพงไปเรียบร้อยเลยเพราะความที่กำลังมันมากกว่าพลังของสิ่งนั้นมันมากกว่านะ้าจังหวะนั้นทําให้มันเกิดการชนะกันไดนะ้ตัวอย่างพวกนี้เราเห็นได้ในชีวิตประจําวันหรือถ้าเราไปตลาดนี่เห็นแม่ค้าเขาใช้มีดในการหั่นหมู แล้วเขาใช้มีดเล็กๆแต่มันก็ไม่มีกำลังเขาก็ต้องใช้มีดอีโต้ในการหั่นเพราะมันมีกำลังมากกว่าแต่กำลังแขนที่เราใช้ก็เท่าเดิมแต่กำลังที่มาจากมีดมาจากน้ำหนักของมันมันเพิ่มขึ้นแต่ทาให้การทำงานนั้นไปได้ชนะได้จิตใจของเราตามผู้ฟังมันสู้กันอยู่ระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลในการส่อสู้แต่ละครั้งนั่นคือในพัฏะ การต่อสู้ตรงนี้บางทีเห็นไม่ได้ชัดเจนนะใช่ไหมถ้าคนไม่ดีเนี่ยเขามีปกติในการูพูดโกหกอยู่แล้วแต่มีใครถามเรื่องอะไรมาก็โกหกเป็นอัตโนมัติในการทำอกุศลของเขาแม่มัน อ, อตโเตเมติมันธรรมดามันชนะขาดอยู่แล้วแต่เหมือนในเวลามืดแต่คุณจะไปหวังให้มีแสงสว่างเนี่ยมันไม่มใช่แต่เพราะว่าตอนนี้ความมืดชนะอยู่ครอบงาอยู่ในทางตรงกันข้ามแต่คนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเนี่ย เจอภาษา ไ, ได้ก็เป็นอัตโนมัติของเขาละที่จะให้ที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแต่จะไม่ได้มามีการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอกุศลแต่เพราะว่ากุศลธรรมนี่มันชนะอยู่ละเหมือนเวลากลางวันนี่เห็นได้ชัดเจนแต่ความมืดมันจะปรากฏขึ้นไม่ได้เพราะมันสว่างอยู่จิตใจที่มีกุศลนั้นครอบงำจิตอยู่ชนะกินพื้นที่มากอยู่ทําให้การต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่ประสาวนั้นบางทีเหมือนกับว่าชนะขาดไปแล้วอันนั้นคือดีแล้ว และจิตใจของบุคคลที่มีกุศลธรรมอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างต่อเนื่องจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปในทางสมมาสังกัปปะจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปในทางสัมมาวาจาจะกระทำอะไรแลก็เป็นปในทางศีลสมาธิปัญญาและเป็นเหมือนเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเราจะทำจิตของเราให้อยู่ในสภาวะนี้ได้อย่างไรปัญหามันอยู่ตรงการต่อสู้บางครั้งเนีไมกุศลธรรมถึงพ่ายแพ้หมดรูป กุศลธรรมทำไมมันถึงชนะนล้วมนอยู่ที่กำลังของแต่ละฝ่ายกำลังของฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะกำลังของฝ่ายที่เป็นอกุศลมีตันหาเป็นหัวหน้ากำลังของฝ่ายที่เป็นอกุศลเนี่ยทำฝังกำลังของมันเนี่ยก็คือการที่พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนะชูจริตทางกายทางวาจาทางใจการคบเพื่อนชั่วความตรณีพวกนิวรห้า า ก, การไม่รู้จักทําในใจโดยแยบคายการไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบรณ์อินทรีย์พวกนี้จะเป็นกองกําลังของฝ่ายที่เป็นอกุศลแต่ถ้าตรงนี้เรามีมากเราทําอยู่เรื่อยๆแต่ไม่รู้จักสมบรณ์อินทรีย์เขาเพื่อนชั่วพวกนี้มันก็จะทําให้อกุศลธรรมนั้นเจริญแต่อสู้ในแต่ละครั้งอกุศลธรรมก็ชนะกินเนื้อที่มากขึ้นทําให้การต่อสู้ในครั้งต่อๆไปของมันแต่ก็ยิ่งง่ายลงง่ายลงการต่อสู้ของอกุศล ก็จะทําให้มีความชนะต่อเนื่องมากขึ้นถ้าฝ่ายที่เป็นอกุศลมีกําลังมากเราจะต้านทานฝ่ายอกุศลที่มันมีกําลังมากอย่างนี้ก็ได้ด้วยกองกําลังของฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมสามารถทําได้ท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมนั้นก็มีกองกําลังของเขาเป็นพลังและพลังของฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมก็เรียกว่าพละหพละหมายถึงกําลังในกําลังในการที่จะ หนุนให้อริยมรรคมีองค์8เป็นหัวหน้านี่ชนะได้ก็คือกุศลธรรม ท, ทั้งปวงนั่นแหละตั้งแต่การคบเพื่อนดีการฟังธรรมะการที่พูดดีคิดดีทำดีการสรํารวมอินทรีย์การรู้จักการประมาณในการบริโภคการฝึกปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ถ้าเธอพูดโดยรวมแล้วมันก็เป็นกุศลธรรมไปหมดแต่ถ้าจะพูดถึงหมวดธรรมะหมดหนึ่งที่จะเป็นพละกําลังให้อริยมรรคมีองค์8เนี่ย ตั้งอยู่ได้จเจริญขึ้นไปได้นั่นคือพละห้าธรรังพละห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจว่าทางพ้นทุกทางชนะนั้นมีอยู่ถ้าเราคิดแต่ว่าโอ้โหอกุศลธรรมมันท่วมทับถาถมทำยังไงดีสิ่งล่อลวงยวนใจมีมากมายเลยโอฉันแพ้สิโรราบราบคาบแน่นอนแต่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วคุณไม่มีศรัทธา เพราะว่าศรัท ธ, ธาคือความมั่นใจนะท่านผู้ฟังความมั่นใจในทางออกนะความมั่นใจในทางแกรปร้ปัญหาความมั่นใจในการที่จะชนะความมั่นใจตรงนี้ไม่ได้สําคัญอยู่ที่ว่าพวกน้อยหรือพวกมากเราเคยเห็นกันมาเยอะแยะในประวัติศาสตร์นี่ดูได้จากภาพยนตร์ก็ตามอ่านจากหนังสือก็ตามที่แม้กลุ่มคนที่มีพวกน้อยก็สามารถชนะกลุ่มคนที่มีพวกมากได้เพราะว่าความห้าวหาญของกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็ชนะได้พลิกหันประวัติศาสตร์มาได้ เยอะแยะมากมายตัวอย่างเพราะความที่เขามีศรัทธาศรัทธาตรงนี้ที่เราพูดถึงในที่นี้คือความมั่นใจว่าทางออกมีอยู่ความมั่นใจในการตรัสรุปของพระพุทธเจ้าคนที่เคยฝ่าฟันเอาชนะเนี่ยมีมาแล้วเส้นทางนี้ก็บอกไว้ให้แล้วใครที่ปฏิบัติตามนี้ก็ได้เหมือนกันแบุคคลที่ทํามาแล้วเป็นตัวอย่างมีแล้วเนี่ยคือการศรัทธาในพระพุทธเจ้าเส้นทางที่จะเอาชนะแผนการรบที่บอกให้นี้ ก็คือศรัทธาในธรรมะถ้าเราทําตามนี้เราก็จะได้ผลเหมือนกันนั่นก็คือศรัทธาในสงฆ์ในการปฏิบัติปฏิบัติชอบการศรัทธาตรงเนี้แจะเป็นกํำลังเป็นกําลังยังไงเพราะมันจะเกิดการทําจริงการแน่วแน่จริงวิริยะเนี่ยมาจากศัพท์ว่าวีระคือความกล้าหาญคือความกล้าหาญในการที่จะสู้เดินไปข้างหน้ากูมีความมั่นใจแล้วว่าแผนการดําเนินงานอย่างนี้ชนะแน่นอนธรรมะนี้ย่อมชนะอาธรรม เราจะมีมากมีน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือเราสามารถชนะได้คนที่มีความมั่นใจตรงนี้แล้วยังไงก็ทําจริงแน่นอนมีความกล้าที่จะเดินไปข้างหน้ามีความห้าวหานอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเป็นผู้บากบันมั่นคงไม่ทอดทุรในกุศลธรรมตั้งหลายมีวิริยะคือความเพียรความกล้าการทําจริงแน่แน่จริงหรือคนที่มีศรัทธาจริงๆนะธรรมบุังยังไงจะต้องมีความเพียรแน่แต่ถ้าไม่มีความเพียรนะแสดงว่าศรัทธาคุณมีไม่จริง ไม่มั่นใจจริงๆยังอ่อนซิโรราบต่อสิ่งที่เป็นกุศลแต่ตัวอย่างเราเมี้เห็นแล้วให้มั่นใจเถอะความมั่นใจนี้คือศรัทธาจะปรากฏผลออกมาเป็นการทําจริงแน่แน่จริงบุคคลที่ทําจริงแน่แน่จริงแล้วสามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้มีสติตั้งขึ้นเอาไ ว, ว้แล้วเราจะไม่ได้ถอยละเราจะตั้งมั่นอยู่ได้ต่อให้มันจะมีกองกำลังมากขนาดไหนเราก็ยังตั้งอยู่ได้ไม่เสียดินแดนเพิ่มเติมจิตเราก็ยังตั้งอยู่ตรงนี้ได้ ถึงแม้ว่าผัสสะจะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ยังไม่ได้ถอยแต่ยังตั้งอยู่ได้ด้วยสติเอาเราจะรุกคืบหน้าได้ต่อสู้กับมันได้สมาธิและปัญญานี่แหละจะมาปัญญาเป็นความคมเปรียบเหมือนกับมีดอาวุธของมีคมศาสตราที่มีความคมในการที่จะฝ่าฟันได้แต่ถ้าศาสตรานี้ไม่มีกําลังในการใช้งานมันก็ไปไม่ได้ไม่สามารถใช้อาวุธต่อสู้กับข้าศึกได้จึงจะต้องมีสมาธิ มีสมาธิที่เป็นกําลังมันเป็นการผลักดันมาจากสติมาจากการทําจริงมาจากความมั่นใจด้วยกระบวนการนี้เราจะปลดแอกจิตของเราจากสิ่งที่เป็นอกุศลที่มีเจ้าตันหาเป็นหัวหน้ามีอวิชชาคอยคลืบคลานผลักดันกันมามีกองอกุศลทั้งปวงแต่คอยที่จะครอบงําจิตถึงแม้กองกำลังของฝ่ายกุศลในบางครั้งมันจะน้อยก็ตามอันนี้การพเจ้ากําลังพูดถึงในกรณีของบุคคลที่รู้สึกว่า มันมีการต่อสู้ของกุศลและกุศลในใจของเราอยู่เสมอแต่ซึ่งบางคนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยกุศลธรรมเขามากมายในจิตอยู่แล้วแต่ไม่ได้จะคิดเรื่องไม่ดีเลยอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติที่ฝ่ายกุศล น, นั้นเนี่ยคลองอนาเขตครองเนื้อที่ในจิตมากกว่าฝ่ายที่เป็นอ ก, กุศลมีตัณหาวิชามันก็ไม่กล้าหือแต่ในสถานการณ์บางครั้งบาคุศลธรรมมันมากมายเหลือเกินแต่เราจะต่อสู้ฝ่าฟันไปได้เนี่ยก็ต้องมีตรงนี้หนึ่งคือเรื่องของพละห คนจะมีอาวุธในการต่อสู้คือปัญญาต้องมีกําลังในการใช้อาวุธนี้คือสมาธิแสติต้องตั้งขึ้นความเพียรความทําจริงแน่แ น, แน่จริงต้องมีต้องมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าคนเราจะมีความมั่นใจความลงใจในเรื่องธรรมะในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับได้เลยนะมันก็ต้องมีเหตุของมั น, น, นไม่ใช่เรื่องสวรรค์บรรดาลหรือว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นเองลอยๆ เหตุของการที่จะมีศรัทธานั้นคือความทุกข์ตามฝั่ ง, งคนที่มีความทุกข์เดี๋ยวจะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้ศรัทธานั้นมีความทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยนี่เป็นปุพุพดศรัทธานั้นจะเกิดขึ้นในความทุกข์ได้ความทุกข์อย่างที่เด็กในสลัมเจอตดดมื่อกินเมือ่อพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็เห็นความทุกข์ตรงนี้เกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาความมั่นใจว่าฉันจะต้องดีให้ได้ชีวิตฉันในตอนนี้จะต้องดีขึ้น แล้วก็มีการทําจริงแนวน่ๆจริงในชีวิตของเด็กคนนี้แล้วก็มีความเพียรมีการทําจริงในมีส ต, ติตั้งขึ้นทําสิ่งที่ควรทําละสิ่งที่ควรละแล้วก็เอาชนะสิ่งที่เป็นอกุศลทำได้ชีวิตเขาก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาความทุกนี้จะมาในรูปแบบความทุกขเวทนาเหมือนเด็กที่อยู่ในสลัมนี้ก็ตามหรือความทุกนี้จะมาในรูปแบบของสุขเวทนาเหมือนลูกของคนมีเงินเดะที่พ่อแม่ปลนเปลอให้ทุกอย่าง ถ้าเขารู้จักเห็นตรงนี้ว่าเป็นความทุกข์โดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงพึ่งพาหาสาระอะไรไม่ได้เขาก็จะไม่กำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตรงนั้นก็สามารถที่จะเห็นธรรมะได้ตั้งสติขึ้นได้มีสมาธิความเพียรพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนดีได้การที่เราจะเปลี่ยนความทุกข์เป็นศรัทธาได้ทั้งหมดฝังไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่มาในรูปของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานั้นคุณจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ ก็มีเหตุของมันแต่คือการฟังธรรมะหรือว่าการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่า อ, อื่นบวกกับการโยนิโสมนัสสิการโบกกันแล้วเป็นสมาธิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเปลี่ยนความทุกข์เป็นศรัทธาได้ศรัทธาคือความมั่นใจตรงนี้จะ ไ, ไม่เกิดการทําจริงแน่วแน่จริงมีสติสมาธิปัญญานะเป็นกองกําลังในการที่จะสนุนกุศลธรรมให้ชนะ ในการต่อสู้แต่ละครั้งการต่อสู้แต่ละครั้งนั่นคือผัสสะ ท, ที่เกิดขึ้นการต่อสู้ระหว่างเจ้ากุศลกับอกุศลและมีสนามรบคือในจิตของเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะตะ บ, บูวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าการต่อสู้ของกุศลอกุศลมันมีอยู่ตลอดเวลาในจิตของเราบางคนที่คิดว่าเออฉันมีกุศลธรรมเต็มที่ดีแล้วภัสสะบางผัสสะแม่มันมาเป็นเครื่องทดสอบจริงๆแต่ว่าอะไรจะชนะอะไรเราคิดว่าฝ่ายกุศลธรรมของเราในจิต แม้มันปกติดีอยู่แล้วแต่บางครั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลมันมีกําลังฮึกเหิมขึ้นมาในบ้างผัสสะในการต่อสู้บางครั้งเราก็พ่ายแพ้มัอนแต่จะทําไงให้ฝ่ายกุศลธรรมชนะก็ต้องมีพลัง่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราต้องเพิ่มมาไว้แต่ปัญญาเปรียบเสมือนมีดคมคมที่จะต้องตัดเจ้ายางเหนียวคือตนาจะตัดได้ก็ต้องมีกําลังในการตัดนั่นะคือสมาธิแต่จะมีสมาธิได้ก็ต้องยืนให้มันมั่นคงก่อน นั่นคือสติที่ตั้งมั่นเอาไว้จะมีสติได้คุณก็ต้องทําจริงแ น, แน่วแน่จริงเป็นคนที่มีความกล้าไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอจะมีความกล้าทําจริงแน่วแน่จริงได้ต้องมีความมั่นใจความมั่นใจคือศรัทธานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความทุกข์ที่มาในรูปแบบสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามความทุกข์นี้มันไม่แน่บางทีมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นศรัทธาความทุกข์ที่มาปรากฏขึ้นบางคนก็จมอยู่ในกองทุกข์นั้น หรือเปลิดเปลินในความทุกข์ที่แอบแฝงไปเป็นสุขเวทนาไปความทุกข์จะเปลี่ยนเป็นศรัทธาได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาทิฏฐิได้ท่านผู้ฟังต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นมีการฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นบวกกันกับการโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการบวกกันกับการได้ฟังธรรมะหรือการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่น บวกกันแล้วจะเปลี่ยนความทุกข์ที่เราเจออยู่ณวินาทีนี้ไม่ว่ามันจะมาในรูปของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามเปลี่ยนให้เป็นศรัทธาได้เป็นความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจได้เปลี่ยนแล้วองคงกําลังของเราจะมีกําลังสามารถที่จะชนะในการต่อสู้ของผัสสะระหว่างฝ่ายที่เป็นกุศลกับฝ่ายที่เป็นอกุศลในสนามรบคือจิตของเราอันนี้การต่อสู้ที่ชนะได้บุาาฟังต้องระวัง มันไม่ได้หมายความว่าชนะสงครามชนะการต่อสู้แต่ละครั้งอาจจะแพ้สงครามก็ได้เราเห็นการแข่งกีฬานี่เหมือนกันคุณแพ้การเล่นครั้งนี้แต่ว่าได้ที่หนึ่งได้แชมป์ก็มีแต่ประนการชนะในการต่อสู้แต่ละครั้งยังไม่ได้เป็นจุดตัดสินว่าชนะสงครามหรือไม่ในการชนะสงครามหรือไม่มันอยู่ตรงที่กายจะแตกนั่นถ้าบอกว่าจิตมีความเป็นอกุศลอยู่มาก ก็เป็นไปได้นนมากว่าเมื่อกายแตกตายไปแล้วก็จะไปสู่ในที่ไม่ดีอันนี้ก็หมายความว่าฝ่ายที่เป็นอกุศลธรรมนชนะแต่มันก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังนะบางทีการชนะการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายครั้งเดียวแล้วก็ทําให้ชนะสงครามได้ก็มีเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะทําอกุศลธรรมมาเยอะแยะแต่ว่าถ้าเขาปรับจิตปรับใจได้ในช่วงสุดท้ายทําชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นได้เขาก็อาจจะชนะสงครามในที่นั้นก็ได้ในทางต้นข้ามก็เหมือนกัน แต่คนที่ถ้ามีกุศลธรรมอยู่ในจิตมากเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือฝ่ายกุศลธรรมนั้นมีเนื้อที่มากในจิตก็เป็นไปได้ว่าเมื่อตอนกายแตกนั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์แต่เรื่องนี้มันไม่แน่ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าฝ่ายอากุศลธรรมมันลุกฮือสู้ขึ้นมาครั้งสุดท้ายครั้งเดียวอาจจะชนะสงครามก็ได้ก็มีเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันแต่คนที่ทําความดีมาทั้งชีวิตแต่พอมาตอนที่กายจะแตกตายไป ลกลับมาคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เคยทํามาบ้างแล้วก็ไปนรกกำเนิดเด ร, เดรชาเปริวิสัยก็มีการต่อสู้ในแต่ละครั้งอาจจะบ่งบอกถึงชัยชนะในสงครามได้แต่สงครามที่ถึงแม้ว่าเราจะชนะในชาตินี้ถ้าเราไปเกิดชาติต่อไปแต่ก็มีสงครามครั้งใหม่อยู่ดีมีการต่อสู้อีกหลายๆายครั้งเพื่อที่จะให้ชนะสงครามครั้งนี้แตการชนะสงครามที่มันจะให้หมดจดโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิงนั้นก็คือเมื่อเจ้าตัณหานั้น มันหมดสิ้นไปอวิชานั้นมันไม่เหลืออยู่ก็คือเมื่อกิเลสตัณหาอาวิชตาถอนหมดจนไม่มีเหลือนั่นแหละคือการชนะสงครามชนิดที่บริสุทธิ์บริบุญสิ้นเชิงจำพุทธพจน์นี้ไว้ให้ดีทั้งมวลฟังสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะละก็ละได้ในสิ่งนั้นเมื่อจะดับก็ดับได้ในสิ่งนั้นสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเรารับรู้ได้มาทางปัจจะสิ่งที่เป็นอกุศลคือตัณหาจะชนะหรือจะแพ้อยู่ที่ว่าธรรมะในจิตใจของเราถ้าจิตใจเรามีธรรมะสร้างพลังนั่นคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นโดยมีความทุกข์ เป็นเหตุให้เกิดศรัทธามีการโยนิโสมรัสิการทําให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะมีชัยชนะในสงครามระหว่างกุศลอกุศลที่มีจุดทําการต่อสู้การรบนั้นคือผัสสะในสนามรบคือจิตของเราได้และถ้าการรบนี้เรากําจัดหัวหน้าของมันคือตัณหาเรากําจัดรากของมันคืออวิชชาได้ชัยชนะนั้นก็จะเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์ บรมบุญสิ้นเชิงข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร